พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่กล่าวถึงความจริงซึ่งความจริงอันนั้นคนจะชอบฟังหรือไม่ชอบฟังก็ตา ม, มก็เรียกว่าต้องพูดความจริงทีนี้ท่านบอกว่าบัณฑิตผู้เป็นวินยูชนจะไม่อิ่มในการฟังความจริงพันธาทหารหทั้งหลายจึงชอบฟังธรรมบอกว่าผู้ที่เป็นธารหารนั้นท่านท่านมีความสุขในการฟังธรรม เพราะเป็นผู้ที่มีความสุขในการฟังความจริงมีความสุขที่จะรู้ความจริงเราทั้งหลายถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ปรารถนาความเจริญในพระศาสนานี้สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้มากและสำคัญที่สุดนั้นก็คือความจริงอย่าลืมว่าความจริงนี่แปลแปลไทยเป็นบาลีอีกครั้งความจริงนั้นแปลว่าสัจจะนั่นนะันพื้นเพของผู้ที่ศึกษา และเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาความจริงอันนั้นบุคคลนั้นจะต้องมีความสุขในการรู้ความจริงพอใจที่ได้เห็นความจริงพอใจที่ได้รู้ความจริงอันนี้หมายถึงว่าพูดอินทรีย์ข้อสุดท้ายนั่นคือปัญญินทรีย์ปัญญานั้นเป็นธรรมชาติที่รู้ความจริงและรู้ความจริงนั้นต้องรู้โดยประการต่างๆโดยนิยต่างๆและโดยแง่มุมต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดนั้น การรู้ความจริงที่ถูกต้องท่านบอกว่าเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานเพราะถ้ารู้แล้วเป็นไปเพื่อบรรลุมรผลนิพพานนั่นเป็นความรู้ที่นาออกจากทุกเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนแต่ถ้าความรู้เหล่าใดไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นไปเพื่อความทุกข์ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นความรู้อนั้นไม่ใช่ความรู้ในพระพุทธศาสนา เพราะความรู้พระพุทธศาสนามีสาระใจความสำคัญอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือนำออกจากทุกทีนี้คาว่าทุกในที่นี้เนี่ยนะจะหมายถึงความเจ็บปวดแบบที่เราทั้งหลายรู้จักกันก็ไม่ผิดหรือจะกว้างใหญ่ไพศาลลงละเอียดกว่านั้นก็ถูกต้องเพราะที่สำคัญคำว่าทุกนั้นทุกอย่างแม้แต่ความสุขก็จบลงที่ไหน ก็จบลงที่ทุกข์เอกนั่นแหละอาจจะมีสุขบ้างในบางเรื่องและในเบื้องต้นแต่โดยมากก็จบลงที่ความทุกข์เพราะฉะนั้นความทุกข์ที่เป็นสาระสําคัญเนี่ยนะความทุกข์เนี่ยนะที่มีอยู่นั้นสาระสําคัญก็คือการรู้ความทุกข์แต่รู้ความทุกข์นั้นทั่วในครั้งว่ารู้เพื่อทุกข์หรือรู้เพื่อออกจากทุกข์รู้ทุกข์เพื่อความพ้นทุกข์หรือว่ารู้ทุกข์แล้วจะได้จํานนอยู่กับความทุกข์ บอกไม่รู้ทุกเพื่อออกจากทุกขเพราะข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคือข้อปฏิบัติที่นําออกจากทุกขเรียกว่าทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกขข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกเรียกว่าทุกขะนิโรธขามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติทุกอันก็ตามเนี่ยนะที่ที่กล่าวไปข้อปฏิบัติเหล่านั้นเนี่ยนะ ที่สำคัญมากที่สุดจะต้องเป็นไปเพื่อรู้ความจริงจะต้องเข้าใจความจริงและคนที่ศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วเจริญรุ่งเรืองสาระเออขอไปสำคัญมากที่สุดคือเราต้องเป็นคนรักที่จะฟังความจริงรักที่จะรู้ความจริงคืออย่ามีความสุกการถูกหลอกเนยนะไอ้คำว่าถูกหลอกนั้นหมายความว่าสิ่งใดที่ขัดกับความจริงเนี่ยสิ่งนั้นแปลว่าเราถูกหลอกแล้ว พันการเรียนคําสอนก็ต้องเรียนเพื่อให้รู้จักความจริงแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์กล้าเปิดเผยความจริงเยอะมากหรือว่ากล้าเปิดเผยความจริงที่มีอยู่จริงทั้งหมดโดยเฉพาะในมหาปริณิพานสูตรพระองค์เองไม่ได้แสดงอภินิหารที่เป็นเหตุอัศจรรย์เป็นเหตุลุ่มลงและงมงวยให้หมู่มหาชนเลยถามว่าพระองค์เหาะได้ไหมเหาะได้ พระองค์ดำดินได้ไหมอย่าว่าดำดินเลยหายตัวก็ได้แต่มีเหตุการณ์เ ล, ยล่ย์ลอย่างที่พระองค์เหมือนกับว่าพระองค์ไม่มีความสามารถเลยเหมือนกับว่าพระองค์ทําไมต้องจํานนอยู่กับทุกข์ทําไมจะต้องจํานนอยู่กับความเจ็บปวดทําไมพระองค์ไม่แสดงปาฏิหาริย์ทำไมไม่เหาะไปทําไมไม่พยายามสร้างปาฏิหาริย์เท่าที่สุดที่จะทําได้บอกไม่พระองค์ไม่ได้มุ่งเพื่อสร้างความงมงวยให้แก่ประชุมชนและมหาชน แต่พระองค์ต้องการช่วยมหาชนการที่ช่วยมหาชนนั้นน่ะการช่วยของพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยให้เขาช่วยตัวเขาเองได้ไม่ใช่ช่วยให้เรียกว่าพระองค์ต้องหาบินทบาทเลี้ยงตลอดนะไม่ได้หมายว่าระองคช่วยแบบนั้นพระองค์ไม่ใช่หมายาว่าจะช่วยให้เขาแบบโอ้ยทุกเรื่องก็อะไรนะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยไม่มีสติปัญญาที่จะช่วยเหลือตัวเองเลยบอกไม้พระพุทธเจ้าช่วยเหลือให้เขามีสติและมี คําสอนของพระองค์นั้นจึงเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์ ส, สรรษษัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงทั้งในด้านคุณธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายนั้นมีคุณธรรมให้สัตว์ทั้งหลายรู้ความจริงและที่สําคัญก็คือรู้ความจริงความรู้นั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความจริงคือทุกข์บรรลุถึงที่สุดแห่งความจริงก็คือว่าพระนิพพานบอกว่าพระนิพพานนั้นคือที่สุดแห่งความจริงเป็นสัจจะที่ผู้ใดตรัสรู้แล้ว ดับทุกทั้งปวงทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสาระสําคัญที่สุดของคําสอนในพระพุทธศาสนาเราก็คือการประกลาอริยสัจอริยสัจอันประกอบไปด้วยอะไรบ้างทุก์สมุทยัยนิโรธมรรคนะนะทบทวนสาระสําคัญก่อนเดี๋ยวว่าโอ้ยนี่เรียนธรรมะ ฟ, ฟังมาตั้งนานแล้วไม่เห็นลงอริยสัจสักทีหนึ่งระวังกันทวนอีกครั้งหนึ่งนะสัจจะมีสี่คือทุกสมุทยัยนิโรธมรรคมีสี่ประการแล้วทุกขสัจคืออะไร ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพลาดพลากจากสิ่งเป็นที่รักก็ทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังก็ทุกข์แม้ความโศกความร่ําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจพวกนี้ก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่อก็คือคันห้าอายตนะสิบสองท่าสิบแปดนั่นแหละคือตัวทุกข์ มันไม่มีใครไปทุกข์หรอกแต่ความทุกข์มีอยู่จริงแต่คนที่ทุกข์อ่ะไม่มีอยู่จริงอ้าวก็เราเป็นคนรับรู้อแล้วเราคืออะไรเราอะไรคือเราจิตใช่ไหมเป็นเราแล้วความคิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วความคิดตัวไหนเป็นเราล่ะกันนี้ความจริงไม่มีเจ้าของแห่งทุกข์อยู่จริงทุกข์มีอยู่จริงแต่ผู้ที่เป็นทุกข์ไม่มีอยู่จริงะนะความเจ็บปวดมีอยู่จริงแล้วถามว่ามีใครอยู่ในความเจ็บปวดนั้นไหม ไม่มีวิจัยไปแล้วไม่มีอะไรแต่สิ่งเหล่า น, านี้มีอยู่ไหมบอกมีความเกิดความแก่ความตายมีอยู่ไหมมีมแล้วใครเป็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บและคนตายก็บอกว่าเป็นความเป็นไปแห่งขันห้าเป็นความจีิงแข่งขันห้าอาแลเราบอกว่าเราไม่ใช่หรือแล้วเอาอะไรเป็นเราเอาตอนอายุกี่ปีว่าเป็นเราเอาขณะไหนว่าเป็นเราเอาขณะนี้ใช่ไหม เอาขณะนี้เอาอะไรเป็นเราอ่ะเอารูปเอารูปใช่ไหมเป็นเราเอาตาหรือเอาหูหรือเอาจมูกเอาลิ้นเอากายหรือเอาใจมาเป็นเราเอาใจที่มีสีเป็นอย่างหนึ่งใจที่มีเสียงก็เป็นอย่างหนึ่งใจก็หมุนเวียนเอาแน่เอานอนไม่ได้กระว่ายิ่งอะไรจะเข้าใจไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะความเปลี่ยนแปลงอะนะความเรรวนและรวนเรความผันแปรไปเรื่อยไม่มีจบมีสิ้นอะไรจะเท่าใจอีกแล้วแล้วเอาใจตัวไหนเป็นเป็นเราเอาความคิดตรงนี้แหละขณะนี้แหละ แล้วความคิดขณะนี้มันแน่จริงไหมล่ะถ้าเป็นเราจริงมันก็แน่จริงสิมันก็ไม่แน่จริงมันก็เปลี่ยนไปอีกนั่นแหละพฉันจึงในทางคําสอนนั้นจึงบอกว่าความเป็นจริงคือทุกมีอยู่แต่ผู้ที่เป็นทุกขไม่มีอยู่จริงแต่ทุกเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิด ตันหาที่ทำตัวใดที่เป็นเหตุให้เกิดชาติชารามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตตัวใดที่สร้างรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งใดที่สร้างอายตนะสร้างธาตุสิ่งเหล่านั้นแหละเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกอันนั้นก็คือเหตุให้เกิดทุกก็คือความติดพันในความทุกขนั่นแหละตัวเยื่อใหยที่มีในกองทุกนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกนะ มันก็คือตันหาที่ยินดีในขันห้าตันหาที่ยินดีในทวาร ต, ต่างๆนั่นแหละลคือเหตุให้เกิดชาติชราและมรณะธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงความดับเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นถ้าดับเหตุได้ก็ดับทุกได้ถ้าดับเหตุให้เกิดขันได้ขันก็ดับได้ทุกคือขันก็ดับได้ถ้าดับเหตุให้เกิดอายต น, นตนะได้ทุกคืออายตนะก็ดับได้ ทั้นความดับเหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละเรียกว่าเป็นความดับทุกข์เนี่ยนะท่านธรรมะเป็นที่ดับเหตุให้เกิดทุกข์ธรรมะเป็นที่ดับทุกข์นั้นก็คือพระนิพพานนั้นจึงบอกว่าธรรมเป็นที่สละคืนแห่งตันหาตันหานี้ลักษณะของเขาก็คือหอยหิวในขันห้า หอยหิวในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหิวที่จะดูหิวที่จะฟังหิวที่จะรู้กลิ่นรู้รสรับกระทบสัมผัสหิวเรื่องที่จะคิดต่อไปเนี่ยนะอยากคิดมันหิวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละลักษณะของตันหานั้นตันหาที่หอยหิวอนั้นเนี่ยนะหิวในอะไรก็หิวในขันอายตนะถ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่ดับขันธาตุอายตนะถ้าตรัสรู้อันนั้นแล้วเลิกหิวในขันห้าพระนิพพานนั้นเป็นที่ยังจิตของสัตว์ให้อิ่ม เป็นที่ยังจิตให้อิ่มอย่างแท้จริงเพราะว่าจิตเราใดที่ตรัสรู้พนิพพานจิตเหล่านั้นเลิกหิวเลิกหิวในขันห้านะตัดชั้นธราคะและอะไรในขันห้าอย่างสมบูรณ์แต่ทั้งนั้นทั้งนี้อยู่ที่ข้อปฏิบัติเนี่ยนะทีนี้ข้อปฏิบัตินั้นเป็นข้อปฏิบัติที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นไปเพื่อให้รู้จักความจริงเป็นไปเพื่อตรัสรู้ความจริงและความจริงคืออะไรก็คือ โรปเบธนาสัญญาสังขารและวิญญาหรือความจริงคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาความจริงเหล่านี้มายุดก็เป็นเกิดแก่เจ็บตายและเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโโซกะปริเทวทุกโทมณตและอุปาญาตพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะไม่ใช่สอนธรรมะประเภทปลายเข็มนะนะเอาอะไรแล้วไปจิ้มจิ้มณนะจุดนั้นๆแล้วก็พอไม่ใช่ธรรมะปลายเข็มแน่นอน แต่พระองค์อุปมาธรรมะของพระองค์เหมือนอะไรเหมือนกับแสงสว่างแต่ก็มีบางในก็คือเป็นประตักคือเจาะแต่ไม่ใช่เข็มนะแต่เป็นเจาะแล้วก็เจาะลึกเลยแหละเห็นไหมแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่แคบแคบแต่สว่างเห็นไหมนั้นการคิดอริยศาสตร์นั้นจึงเป็นไม่ใช่เรื่องของคนที่จิตใจคับแคบคิดเป็นคนที่ใจใหญ่มากอัธยาศัยใหญ่มากเป็นคนที่มองชีวิตสรุปเหลือเกิดแก่เจ็บตาย แล้วบอกพอเลยใช่ไหมบอกไม่แสวงหาธรรมที่นําออกจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายทํายังไงจะตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเพรานที่สําคัญที่สุดนะจะต้องรู้จักความว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่เราทั้งหลายเนี่ยถามว่าเอ๊ะเราเราอยู่กับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเรารู้จักความเกิดแก่เจ็บตายไหม ที่จริงแล้วอ่ะโดยมากติดกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพลิดเพลินดีใจเสียใจกับความเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่รู้ความจริงแห่งความเกิดแก่เจ็บตายคือว่ายังไม่เข้าถึงความจริงเพราะเราไม่เคยวิจัยสิ่งเหล่านี้เลยไม่เคยเอาวิจัยเรื่องชีวิตเลยคือว่าธรรมวิจยสัมโพชฌงเนี่ยนะเราไม่เคยเอาสิ่งเหล่านี้มาวิจัยเพื่อให้ถึงความจริงเป็น ที่สุดเมื่อเราไม่เคยวิจัยชีวิตตามเป็นจริงที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรูเพื่อพระนิพพานยังไงก็ไม่สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้ถ้าเราวิจัยรู้จักความจริงไม่เพียงพอเนี่ยนะนะนี่ย้อนกลับมาว่าพระพุทธเจ้าเนีถามว่าพระองค์รู้ความจริงใช่ไหมบอกใช่และพระองค์เป็นผู้ที่สอนความจริงใช่ไหมใช่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 ให้วิจัยเลือกเฟ้นพิจารณาใกล้ครัวให้ทีทวนว่าทุกนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งทุกขสมุทัยตัณหามันไม่ได้ไปเกิดที่อื่นหรอกมันเกิดที่ทุกนั่นแหละมันเกิดที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นแหละแล้วรูปอวิตัณหานั่นแหละเป็นเหตุสร้างรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอีกครั้งหนึ่ง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 วิญญาณท่านบอกว่ามเมล็ดพันธุ์ยางเหนียวที่อยู่ในมเมล็ดพันธุ์นั่นแหละคือตันหาที่เพาะขึ้นอาศัยกรรมเป็นต้นเนี่ยนะที่เปรียบเหมือนผืนแผ่นดินเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เพาะปลูกชีวิตก็ไหลไปในสังสารวัตไม่มีที่จบสิ้นแต่ถ้าตรัสรู้พระนิพานเนี่ยนะอริยมรรคในข้อปฏิบัติที่ทําให้ยางคือตันหานี่มันเล่าร้อนถ้าทําเมล็ดพันธุ์ให้สุกเช่นเอาไปคั่วเอาไปตัดเอาไป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 เพาะขึ้นได้หมดแต่ในวัดตักแต่ถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายในการมาพบโดยมากก็เพาะงอกในการมาพบนี่แหละสัตว์ที่อยู่ในอบายโดยมากกอ่งอกอยู่ในอบายสัตว์ที่เป็นมนุษย์ไม่แน่ว่าจะกลับมางอกในมนุษย์อีกต่อไปหรือเปล่าว่าตัวเองไปฝังปฏิสนธิจิตในมดลูกสาเร็จหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ